3. นหานวัคสิกขาบทที่หนึ่งสองร้อยสามสิบสามิษุณีเปลือยกายอาบน้ำต้องอาบัดสองอย่างคือ 1. กํากำลังอาบต้องอาบัดทุกกฎเพราะพยายาม 2. ออาบเสร็จแล้วต้องอาบัดปาจิตตี